เห็นว่าเขาเป็นคนเหมาะสมที่สุดแล้วนะจากประวัติในการเดินป่าของเขาและที่เหลือกว่าอะไรก็คืองานที่เราจะทําในครั้งนี้นอกจากพรานําทางที่สามารถแล้วเขาจะต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานทางความรู้ดีด้วยมิฉะนั้นจะประสานงานกับเราไม่สะดวกชายคนนี้เป็นบุคคลที่เราต้องการตัวอย่างยิ่งถือว่าอย่างนั้นไหมคริส คริสติน่ากรูบินผู้เยือกเย็นก้มศีรษะลงนิดนึงดัก บ, บุรีลงกะทิเคียใช่ค่ะอาจารย์แต่ปฏิเสธชายคนนี้ไม่ได้หรอกค่ะฉันรู้ว่าเราจะต้องเลือกเอาเขาเพียงแค่สองสามประโยคแรกที่พูดกันแล้วแม้ว่าเขาจะเป็นคนกระด้างแล้วก็ดูเยาะเไม่ใช่น้อยแต่ถ้าทางนายนีนะ่มันเป็นมิตรกับเราเลยนะทั้งๆ ท, ท, ที่เราพยายามจะเป็นมิตรด้วยคิดไม่ละความตั้งใจ เราไม่ได้ต้องการความเป็นมิตรกับเขานะแต่เราต้องการงานที่มีสมรรถภาพและก็ซื่อสัตย์ของเขาต่างหากซึ่งประการหลังนี่ฉันเชื่อว้าใจคนนี้มีอย่างสมบูรณ์คนเราจะเป็มิตรกันได้หรือไม่ต้องดูกันานานๆกว่านี้อีกนิดครับการพบปากกันครั้งแรกมันตัดสินอะไรไม่ได้หรอกคุณคิดท่านนายพลกล่าวเนิกเน ผมเองก็หนักใจไม่ใช่เล่นเหมือนกันที่คุณหรือคณะของคุณไม่ชอบคนนำทางที่ฝ่ายเราเสนอให้แต่เราก็ไม่สามารถจะเลือกใครให้ดีไปกว่านี้ได้อีกแล้วโปรดอย่ากังวลเลยครับท่านในพลด็อเตอร์สแตนลีย์ขับขึ้นโดยเร็วพร้อมกระบกมือหัวเราะเบาๆคีดแต่เป็นคนผงผางอย่างนี้แหละครับความจริงเขงก็ไม่ได้มีอะไร ความจริงแล้วเขาก็เป็นมิตรกับคนง่ายนะส่วนรพินไพรวันผมก็เชื่อจากสายตาว่าเขาเป็นคนดีคนนึงซึ่งหาได้ไม่ง่ายนะเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทะนงไม่ใช่เล่นลักษณะของเขาเป็นผู้นําของคนไม่ใช่ผู้ตามคนที่มีคุณสมบัติเช่นนี้แหละครับที่เราต้องการในงานชนิดนี้และผมในฐานะของหัวหน้าคณะจะไม่ยอมไม่ใช่คนนี้ปฏิเสธเป็นอันขาด เราต้องการตัวเขาครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณอำพลแล้วก็ท่านด้วยที่ติดต่อชายคนนี้ให้เราครับดรส a ต l ลี Stanley, ถ้าคุณตัดสินใจได้อย่างนั้นก็เป็นการดีที่สุดพนโทวิชัยพูดเบาๆพร้อมกับระบายลมหายใจยาวนายอำพลพูดขึ้นกับอเมริกันทั้งสี่คนว่าผมขอยืนยันอีกครั้งครับ ว่าทางฝ่ายเราจัดหาคนนําทางให้แก่พวกคุณนี่ไม่ผิดแล้วล่ะครับสําหรับข้อขัดข้องใจของเคเนนคีผมก็ขอให้เบาใจได้ครับเมื่อเดินทางร่วมกันไปแล้วทุกท่านจะรู้จักระพินไพรวันดีกว่านี้และจะรู้ได้เองครับว่าระพินน่ะเป็นมิตรที่ดีที่สุดของทุกคนที่ปรารถนาในความเป็นมิตรกับเขาและถ้าหากว่าเกิดอันตรายใดๆขึ้นในระหว่างเส้นทางเดินป่า ชายคนนี้จะยอมตายก่อนคนในความรับผิดชอบของเขาทุกคนครับคริสเลิกคิวขึ้นข้างหนึ่งยิ้มมุมปากเฮคุณออกใบรับรองให้เขาได้ถึงเพียงนี้เชียวเหรอครับคุณนำพลใช่ครับผมรับรองดีละคงจะได้เห็นกันทั้งนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วล่ะคะ่ะเรารับชายคนนี้เป็นคนนำทางแน่นอนแล้ว แล้วก็ยินดีที่จะจ่ายค่านายหน้าให้แกคุณตามสัญญาก่อนการเดินทางค่ะนายพลยิ้มไม่สะดวกใจนะักอึกอักในลำคอมองไปทางท่านนายพลท่านครับผมคิดว่าผมไม่อยากจะรับเงินจำนวนนี้นะครับเพราะผมเองก็มีหน้าที่ร่วมมือกับทางราชการอยู่แล้วอีกอย่างหนึง่งทารพินรู้ว่าผมรับเงินผมเสียคนครับ คุณน้าพ้นรับไว้เธอระพินเองก็ได้ข้าจ้างแล้วส่วนคุณก็ได้รับรางวัลสมมนาคุณในฐานะที่ติดต่ออำนวยความสะดวกถึงระพินจะรู้ก็ไม่น่าเกลียดอะไรหรอกค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้รัฐบาลสหรัฐเป็นผู้ออกและเมื่อเทียบกับ ง, งานที่เขาจะต้องทําแล้วมันเป็นเงินจํานว น, นน้อยนิดทีเดียวถ้างั้น เอาไว้ว่าผมอุทิศเงินส่วนที่ผมจะได้รับนี่ให้แก่กองทัพไทยสบายใจกว่าที่ผมจะรับมาใส่กระเป๋าเองครับผมรักกระพินมากครับคิดเสมือนว่าเขาก็คือญาติของผมอย่าให้ผมต้องได้รับประโยชน์อะไรในความเหนื่อ ย, ยากเสี่ยงชีวิตของเขาเลยครับมันทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจถึงระพินเองก็เหมือนกันต่อให้เขาได้ค่าจ้างมากมายสักเพียงไหนมันก็จะมีประโยชน์อะไรละครับ ในเมื่อเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมาใช้เงินเหล่านั้นท่านนายพลส่งมือมาให้จับแล้วบีบแน่นคุณอำพลคุณเป็นคนที่คบได้คนหนึ่งระพินคงจะยินดีนะถ้าทราบความรู้สึกแท้จริงของคุณและคงคิดว่าไม่เสียแรงที่เขาทำงานร่วมกับคุณมานาน ผมเองก็เป็นห่วงเขาเหมือนคุณเหมือนกันแต่อย่างน้อยลูกชายผมก็ร่วมเดินทางเสี่ยงไทยไปในครั้งนี้ด้วยเอาละรครับท่านผมขอตัวไปพบพระพินสักครู่นะครับมีธุระส่วนตัวอยู่กับเขาบางอย่างขอให้ท่านสนทนาหารือกับพวกนี้ไปบางพลางก่อนแล้วกันครับเชิญอําพลหันไปขอตัวกับอเมริกันกลุ่มนั้น แล้วเดินออกจากห้องก่อนรับกายเสียงพันเอกคีดก็บอกมาว่ากุน้ำพนครับบอกเขาด้วยว่าผมขอโทษอีกครั้งครับแล้วก็อยากจะเป็นมิตรกับเขาอัมพลฝืนยิ้มโบกมือตอบรับผู้อำนวยการบริษัทไทยไวไลฟ์คนพบพระพินไพรวันในห้องน้ำชั้นล่าง กานใหญ่กำลังล้างหน้าอยู่ที่อ่างเขารอจนกระทั่งอีกฝ่ายควักผ้าขนหนูเล็กๆขึ้นมาเช็ดหน้าแล้วก้าวออกมาจากห้องจึงควักกระเป๋าเสือ้อหยิบเช็คที่เตรียมไว้ก่อนแล้วยื่นส่งให้อ่ะนี่เงินส่วนที่เหลือของคุณว่าจะให้ตั้งแต่เมื่อเที่ยงนี่ละดันลืมไปจอมพรานหัวรอหึหรับเช็คไปอย่างไม่สนใจอะไรนะนี่คุณนำพล ผมไม่ได้เชิญคุณอำพลออกมาพบเพื่อจะทวงเงินอะไรหรอกแต่อยากจะเชิญออกมาพบเพื่อขอบคุณต่างหาพกพนวยการพาซื่อหน้าตื่นถามว่าขอบคุณผมเรื่องอะไรก็ขอบคุณเรื่องที่เป็นตัวกลางหาเรื่องยุ่งไหมผมตลอดเวลาไม่หยุดยอนนะที่คุณครั้งแรกก็ให้ไปตามคนหายเทือกเขาพระศิวะโนนวังจะกลับมาได้ก็แทบจะอาเจียนเป็นโลหิต ต่อมาก็จะให้กำนันตำแหน่งกำนันหนองน้ําแห้งในเวลาเดียวกันก็หลอกสนิทให้มาเข้ากับดักของคุณหญิงดารินทําให้เกิดเรื่องเสี่ยงต่อการถูกพี่ชายของเธอทั้งสองคนเหยียบเอาไม่อีทีนี้ถนัดใจเหลือเกินนะใช้ไปตามระเบิดนิวเคลียร์สิแมกกาตันนี่ถามหน่อยเลยคุณถ้าเสร็จเรื่องนี้รอดตายกลับมาได้นี่จะหาเรื่องยุ่งอะไรมาให้อีกไม่ทราบครับ นายอําพลหัวร้อแห้งแห้งคางอ่อยๆว่าโทรพินเนี๋ยอางี้ดีกว่าไหมคุณอําพลคุณไปกับผมคราวนี้ด้วยไหมจะได้รู้รสชาติของจริงเสบะเดี๋ยวโมแต่นั่งดีคิดดลูกคิดพึ่งพลุงพุ้ยอยู่ต่ในทึกกําน้ยการนี่เลยคุณรับพินผมก็อยากไปกับคุณจริงๆให้ตายดิแต่สังขารมันไม่ให้คุณ คืนต่อร่างไปด้วยคุณก็ต้องลำบากแบกผมจะเปล่าเปล่าไม่แบกหรอกอย่างมากก็แค่ปล่อยให้เสือมันค่าไปหม่ำแล้วเท่านั้นเก็บใจจริงพับผาดิพวกนวยตารยกมือไหว้ปลุกปลกุกนี่บอกคุณเถอะคุณอย่าด่าว่าอะไรเลยมันเรื่องจำเป็นทั้งนั้นนะคุณผมนะ่ะอยากก็คุณลำบากถึงเมื่อไหร่เล่าแต่มันเป็นเหตุสุดวิสัย นี่แต่ผมหลับตาเดินตาได้อย่างคุณนะ่ะก็จะไม่ให้คุณต้องเดือดร้อนหรอกจะพาพวกนี้ไปเองหลานสาวผมอะ่ะถ้าคุณไม่รังเกียจคิดจะเอาอีกผมก็ยินดีจะยกให้นะ่ะแถมเงินให้อีกสิบแสนด้วยอ้าวพรานใหญ่หัวร้อหือสุดตัวลงนั่งที่เก้าอี้ชุดหินใต้ถุนตึกอำนวยการนายอัมพลนั่งลงข้างๆด้วยนี่คุณอมพลหลานสาวคุณน่ะ เก็บไปใส่ตะกร้าล้างน้ําขายคนอื่นก็ไปเหอะว่าสนาของผมนะ่ะไม่ได้เป็นหลานเขยในห้างบริษัทไทยไวไลร์หรอกแล้วก็กรุนานะครับอย่าให้เหยียบย่างไว้ที่หนองน้ําแห้งอีกถ้าตามมาตอแยกับผมบมากๆจะจับไปทิ้งไว้ในป่าให้ตายเป็นชะนีไปเลยนะผมก็พูดไปอย่างงั้นแหละต่อไปนี้ผมคงไม่มีโอกาสได้กลับมาทะเลาะ ก, กับคุณนําพลอีกแล้วล่ะ ผู้อำนวยการบริษัทไทยไวไลฟ์หน้าเสียจับแขนเขาไว้นี่คุณระพินอย่าพูดเป็นลางอย่างนั้นดิคุณผมยังเชื่อมือแล้วก็โดยจะตายชีวิตของคุณอยู่เสมอนะ่ะเขายังคุ ณ, ณตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้รอกจอมพรานจ้องลึกลงไปในดวงตาของนายจ้างเขาแล้วกล่าวแผ่วเบาหมดแววสับพยอคล้อเรียนคุณอำพนครับ กรุณาดูแลคุณแม่ผมด้วยนะครับระหว่างที่ผมไม่อยู่หรือผมไม่ได้กลับมาอีกอีกฝ่ายจับมือแน่น บ, บ, บีบกระชับพูดสั้นๆบางใจเอคุณรพินไม่ต้องห่วงพวกนั้นจะจ่ายเงินให้ผมส่วนหนึ่งก่อนออกเดินทางไม่ใช่เหรอแน่นอนครับถ้างั้น คุณอัมพลหาทนายความให้ผมสักคนหนึ่งนะครับด่วนที่สุดก่อนที่ผมจะไปทําไมล่ะระพิผมจะทําพินัยกรรมครับถูคุณโปรดเถิดครับคุณอัมพลอย่าคิดว่าผมจะตีตนไปก่อนค่าเลยนรืออยาหาว่าผมปอดแตกไอ้ลําพังตัวผมคนเดียวน่าไม่กระไรหรอกครับถ้ามีคุณแม่อยู่คนเดียวผมเป็นอะไรลงไป ผลประโยชน์ส่วนมีส่วนได้ของผมมันก็ตกเป็นของท่านอยู่แล้วแต่ลูกน้องของผมอีกสี่คนนะครับเกิดเซยจันทร์และก็บุญคําคนเหล่านี้จะต้องมีผลประโยชน์ร่วมอยู่ในงานครั้งนี้ด้วยนะครับและพวกเขาก็มีลูกเมียรหรือญาติพี่น้องพ่อแม่ถ้าหากผมหรือพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้กลับมาแล้วทายาทข้างหลังจะต้องได้รับผลประโยชน์เหล่านั้นแทน พวะเขาเป็นคนซื่อแล้วก็โง่นะครับผมเป็นหัวหน้าเขาผมจำเป็นจะต้องรักษาผลประโยชน์ให้เขาครับเอาเอาถ้างั้นก็เอานายอัมพลพยักหนะ้าเอาไงเอากันผมนะ่ะตามใจคุณทุกอย่างเลยขอเพียงให้คุณรับงานครั้งนี้เท่านั้นแหละว่าแต่คุณจะเอาสี่คนนั่นไปด้วยเหรอถึงผมจะห้ามไม่ให้ไปจะสี่คนนั้นก็ต้องตามผมไปจนได้ลวคุณ ไม่มีใครยอมทิ้งผมหรอกพวกนี้นะตายแทนผมได้ทั้งนั้นคุณอำพลก็รู้อยู่นี่ครับจริ ง, งแล้วพวกลูกหาคนอื่นๆแล้วคุณนั่นน่ะเป็นเรื่องของการวาดจ้างและจ่ายเงินให้พวกเขาล่วงหน้าตัดตอนไปทุกคนที่สมัครต้องพร้อมที่จะเสี่ยงแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขผูกพันอะไรอีกแต่ถึงยังไงผมก็ต้องมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของทุกชีวิต เท่าเทียมกันหมดภายใต้ความรับผิดชอบของผมยกเว้นแต่จะเป็นเรื่องเหลือวิสัยพ้นความสามารถของผมคุณกะเจ้ลูกหาไปสักเท่าไหร่ล่ะผมอาจช่วยหาให้ได้บ้างนะจากตำบลอื่นๆเนะ่ะผมอยากจะให้ได้น้อยที่สุดครับมันหมายถึงภาระรับผิดชอบต่อชีวิตคนภายใต้การดูแลจะได้ลดน้อยลงด้วยครับแต่ทั้งนี้มันก็ต้องหมายถึงหีบหอ่อสัมภาระ และน้ำหนักสิ่งของที่พวกนั้นจะเอาไปด้วยผมถึงได้ทวงแล้วว่าอยากจะให้ลดน้ำหนักให้มันเหลือน้อยที่สุดเรื่องลูกหาบสักกี่คนเนี่ยก็รอดูปริมาณและน้ำหนักของอีกทีหนึง่งอัมพลมีสีหน้าหนักใจผมไม่เชื่อนะว่าเจ้าพวกนี้จะเป็นนักเดินป่าสมบุกสำบันกันมาก่อนแล้วก็คงจะเป็นภาระคุณไม่ใช่น้อยทีเดียวละรพิน พวกมันมานเพียงแค่นี้ก็ยังขนน้ำขวดมาด้วยเลยมันไม่ยอมกินแม้กระทั่งน้ำฝนที่ผมรับรองว่าเรารองไว้อย่างสะอาดที่สุดนะระพินยิ้มเรื่องนั้นไม่ต้องควงหรอกกุน้ำพลมันจะกินน้ำขวดหรืออาหารกระป๋องเรช่องเรชันอะไรของมันก็เชิญนะแต่ไม่เกินเจดวันของการออกเดินทางแท้จริง ผมจะมันกินน้ําตามรอยตีนช้างและกินกิ้งกาย่างให้ได้เพราะทําไม่กินมันตายเองครับแล้วผู้หญิงสองคนน่ะเอาเถอะจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะผมไม่รังเกียจทั้งนั้นแหละในเมื่อรัฐบาลของเขาคัดตัวเลือกมาแล้วทุกคนมีสิทธิ์จะลำบากได้เท่ากันหมดผมก็ไม่อยากจะดูถูกเหมือนกันสมัยก่อนนี่ผมเคยดูถูกคุณหญิงไว้ทีนึงแล้ว แต่ปรับปรากฏว่าเธอก็หนึ่งเหมือนกันเมยก็เคยเป็นตัวอย่างของผู้หญิงยอดทรหดให้ผมเห็นกระตามาแล้วแม่ผมทองกับแม่ผมแดงนะะอาจจะเยี่ยมกว่าคุณหญิงดารินหรือมารีฮ อ, อกมันก็ได้ใครจะรู้สวยมากนะทั้งสองคนนะแต่คนละแบบน่าจะเป็นดาราหนังมากกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคในการไปกู้ระเบิดนิวเคลียร์ครั้งนี้นะ สวยหรือไม่สวยทนำะไมสำคัญนะคุณำพลสำคัญอย่าไปงองแงอยู่กลางป่ากันแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าผมใจดำคุณคริสติน่านีนท่าทางเยือก เ, เย็นสุ ข, ขุมน่าเลื่อมใสามากนะหรือคุณว่าไงจอมพานยักษ์ไหลผมกลัวจะร้ายกว่าระเบิดนิวเคลียสิไม่กระตันจะอีกสิสำหรับความเยือก เ, เย็นแบบหิมะคลุมภูเขาไฟแบบนี้ เห็นคุณเชิดวุดนั่งจ้องตาเป็นมันและชักเสียวๆบอกก่อนนะผมไม่เกี่ยวสำหรับเรื่องนี้ผมมีหน้าที่อย่างเดียวนำทางคุณก็จังสังเกตเหมือนกันนะคุณระพินเข้าไปแป๊บเดียวเท่านั้นมองทะลุเลยแล้วแม่ผมแดงนมโตอ่นะคุณผมไม่ทราบครับไม่สนใจด้วยแต่ผมรู้สึกว่าแม่ผมแดงนะ่าจะเป็นคู่เล่นของเจ้าเจ้าคีตนะคุณ เพราะสนิทสนมกันมากแต่ระวังไม่จะประคุณนะ่ะนั่งมองคุณอย่ากระเสือมองเหยื่ อ, อยังงั้นแหละผมกลัวคุณกับเจ้าคีสจะไปกระทึบ ก, กันตายกลางป่านะถ้าเกี่ยวกับแม่ผมแดงนะ่ะเห็นก็ไม่หรอกครับคุณอ้ำพนแต่ถ้าเรื่องอื่นไม่แน่ไอ้นั่นน่ะมันโอหังแล้วก็มองผมเหมือนคนประเทศเมืองขึ้นของมันมันยังรู้จักระพินท์ไทยวันน้อยไปก็ดีครับ พวกเขาไปกันสองคู่แล้วก็คงจะถอยทีถ้อยอาศัยกันได้กลางป่าตามวิสัยของไอ้คนเจริญแล้วสงสารแต่คุณเชิดบุตเท่านั้นแหละครับที่โดดเดี่ยวไปคนเดียวจับคู่ใครไม่ได้ผมไม่อยากให้ลูกชายท่านนายพลไปด้วยเลยเสี่ยงโดยใช่ที่ให้ผมไปกับพวกนี้ตามลำพังดีกว่าเห็นแกชีวิตลูกชายท่านนายพลคุณพยายามหาทางระ ง, งับคุณเชิดบุตไว้ได้ก็จะดีนะครับ อ่ะผมจะลองเกลี้ยกล่อมดูแต่ก็เชื่อว่าคงจะไม่สำเร็จครับลักษณะของคุณเชิดวุตนี่ก็ใช้ชาติอาชานัยเหมือนกันอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับแม่ผมทองตะโพกกลมนั่นแหละที่จะเป็นสเสน่ดึงดูดให้คุณเชิดบุตร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วยอย่างเต็มใจสังเกตดูท่าทีจะคุ้นคุ้นสนิทสนมกันอยู่บ้างเหมือนกันนะครับกับลูกชายท่านนายพลน่ะ เขายังโสดอยู่เหรอใช่ยังไม่แต่งงานเลยคุณหมน่าสงสารยังเด็กเหลือเกินไม่น่าจะเอาชีวิตมาเป็นเดิมพันในการเดินทางครั้งนี้เลยห้ามกันเถอะครับถ้าห้ามได้คุณอำพลอำพลพยักหน้าแล้วลุกขึ้นฉุดข้อมือเขาไปกระพินกลับไปข้างบนแล้วกันมีเรื่องที่คุณจะต้องเจรจาหารือกับพวกนั้นอีกมากนะ และพวกเขาก็คอยคุณอยู่สำหรับคิดนะ่ะเขาสั่งให้มาบอกคุณว่าเขาพยายามจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณภายหลังจากที่ถูกพักพวกกันเองนะดาเอา้าโดยเฉพาะแม่ผมแดงกำราบจะอยู่หมัดเลยระพินไพรวันเดินตามหลังผู้อำนวยการไทยไวไลฟ์ขึ้นไปยังชั้นบนของตึกอำนวยการอีกครั้งด้วยอารมณ์ที่สงบลงเพราะได้น้าเย็นลูบหน้าแล้ว บรรยากาศดูเหมือนจะดีขึ้นเมื่อพลานใหญ่ระพินไพยวันย้อนกลับขึ้นมาในห้องที่ดัดแปลงเป็นห้องประชุมปรึกษาหารือเรื่องสำคัญนั้นอีกครั้งคีผู้ไม่ถูกชะตาตั้งแต่แรกพบบัดนี้โบกมือและยิ้มให้เขาท่าทีเปลี่ยนไปความจริงคนอย่างพันเอกลารีคีตไม่ใช่คนที่มีเลขกนอะไรทั้งสิน้นเพียงแต่กระโชกโคกข้าตามนิสัยทหารผ่านศึก ที่ค่าคนมามากและมักจะคิดว่าตนเองเหนือชั้นหรือฝีมือแน่กว่าคนอื่นเท่านั้นในด้านนักเลงเพราะถือว่าตัวโ ต, วตวราวกันนักมวยปล้ำจอมพลันไม่ถือสาและก็ไม่เห็นว่าอเมริกรันร่างใหญ่คนนี้จะมีความหมายอะไรทั้งสิน้นในชีวิตของระพินหากจะมีความหวาดระแวงและประวัติกริง่งกริงอยู่บ้างก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้น คืออดีตร้อยโทกองโจงกระเรี่ยงหรือเจ้าแง่ทายคนนั้นเท่านั้นซึ่งนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วอันจะไม่โหนกลับมาอีกกเราก็มาร่วมวงอีกครั้งคราวนี้ลาริคิดส่งซิก้าชั้นดีให้เขาและระพินก็ไม่ปฏิเสธเขารับมาถือคลึงไว้ในมือคริสเป็นคนป้องมือจุดไลเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกอันนุ่มนวลให้เขา ทานญ่ยิ้มให้กลมลงต่อซิก้าแล้วกล่าวขอบคุณทุกคนในที่นั้นดูเหมือนจะให้การเอาอกเอาใจเขาเพิ่มขึ้นผิดกว่าการพบกันในครั้งแรกคุณพภินครับกรุณาบอกให้เรามั่นใจและยินดีอีกสักครั้งเถอะครับว่าคุณไม่ปฏิเสธการนำทางครั้งนี้ดอเตอร์สแตนลีย์เอ่ยขึ้นอย่างสุภาพพวกคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับ ว่าผมปฏิเสธไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่อยากจะปฏิเสธเรารู้สึกอึดอัดใจมากนะถ้าคุณรับงานอย่างไม่เต็มใจเบลว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ขอให้พวกคุณทุกคนสบายใจได้ครับเพราะผมเมื่อรับงานใครแล้วผมทำอย่างเต็มฝีมือและดีที่สุดเท่าที่จะสามารถครับเอาละหมดปัญหาไปเรื่องนั้น ท่านนายพลแทกตัดบทขึ้นแล้วกล่าวขึ้นรวมๆต่อไปนี้ก็ร่วมหารือกันได้แล้วว่าจะเอายังไงหรือเริ่มต้นยังไงให้เราเรียกชื่อแรกคุณว่ารับพินแล้วกันนะสแตนลียับเข่าเขาอย่างถือสนิทครับเป็นการดีครับผมเป็นคนไทยและคนไทยก็นิยมเรียกชื่อแรกกัน เป็นชื่อที่ถูกต้องตามจริงที่สุดผมไม่ชอบให้ใครมาเรียกชื่อสกุลของผมหรอกแล้วพวกคุณส่วนมากก็ล้วนพูดไทยได้เคยชิงกับขนบประเพณีไทยตามสมควรผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรียกผมว่ารพินดีนะครับหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์หัวเราะ ก, กังวานบายตาบ่งความเป็นคนเจ้าคิดและฉลาดลึกกว่าคิดจับนิ่งมา คุณพินครับเราจะเริ่มต้นกันยังไงสำหรับฝ่ายผมนี่ต้องการเร็วที่สุดนะครับวพินมองหน้าอเมริกันชายหญิงไปทีละคนอีกครั้งเปล่าวาพวกคุณพร้อมเมื่อไหร่แล้วครับก็เมื่อตกลงได้แน่นอนกับคุณแล้วเช่นนี้เราก็จะกลับกรุงเทพข้ามวันนี้เลยครับและมรืนีก็จะมาอีกครั้งพร้อมสัมภาระ นั่นแปลว่าเราพร้อมที่จะออกเดินทางได้ทันทีทางคุณแล้วครับพร้อมหรือเปล่าผมก็พยายามจะจัดเตรียมให้พร้อมโดยเร็วที่สุดเหมือนกันครับแต่ก็ได้บอกแล้วนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับปริมาณของที่พวกคุณจะเอาเติดไปด้วยเพราะจะต้องหาลูกหาบให้พอดีผมคิดว่าสัมภาระไม่ควรจะใช้แบกหามเกินกว่าสิบคน ทั้งนี้ไม่รวมกับพรานของผมอีกสี่คนเมื่อรวมจำนวนคนทั้งหมดแล้วฝ่ายคุณห้าคือรวมทั้งคุณเชิดวุดด้วยฝ่ายผมห้ารวมกับลูกพรานสี่คนส่วนลูกหาปังหาอีกสิบคนรวมทั้งหมดก็เป็นยี่สิบคนลงตัวพอดีทั้งสี่คนหันไปซุบซิบหาเรือกันอีกครู่หนึ่ง หัวหน้าคณะก็หันมาบอกเขาว่าโอเคนั่นเป็นจำนวนคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วและทางฝ่ายเราก็พยายามเอาสัมภาระไปให้น้อยที่สุดโดยไม่เกินกว่ากำลังของลูกหาบห้าคู่จะแบกหางไปได้ถ้าหากเป็นความต้องการของคุณเช่นนั้นระพินเสียงท่านเจ้ากรงข่าวเอ่ยขึ้นอย่างผู้ใหญ่ ทางคุณนะจะไม่มีเครื่องผ่อนแรงในด้านฉันพรรยาให้นอกเหนือไปกว่าแรงคุณที่จะหากหางบ้างเด้อเป็นต้นว่าเวียนควายหรือช้างสักสองสามเชือช่วยบรรทุกของมังคนควรจะเป็นอย่างนั้นนะในเมื่งบประมาณค่าใช้จ่ายฝ่ายเรานะ่ะไม่อันอยู่แล้วคิดสอดมาด้วยเร็วระพินยิ้มให้อย่างเวทนาทุกท่านครับ โปรดพ้องผมนะครับแล้วก็ขอให้เข้าใจไว้ด้วยเครื่องทอนแรงนะไม่ว่าจะเป็นเกวียนหรือสัตว์พาหานะชนิดใดก็ตามผมพอจะจัดหาได้แต่หนทางที่จะไปนะสิครับถึงแม้ผมจะยังไม่ทราบแน่นอนว่ามันอยู่ในบริเวณไหนของป่าใหญ่แผ่นี้แต่จากประสบการณ์ที่เคยท่องเที่ยวมาชำนาญแล้วผมทราบดีว่ามันเป็นเส้นทางที่เราไม่สามารถจะใช้เครื่องทอนแรง ชนิดใดได้เลยนอกจากแรงลูกหาอันเป็นคนเท่านั้นหนทางเมื่อลึกเข้าไปจะทุร ก, กันดางที่สุดภูเขาสูงหน้าผาฉันซึ่งบางขณะเราอาจต้องใช้วิธีปีนไต่ขึ้นไปบางทีจะต้องลอดอุโมงทำแคบแคบํำกัดเฉพาะตัวคนสองฝั่งทางนะ่ะเป็นเหวลึกหนทางอลำบากเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเกวียนควาย หรือช้างที่จะใช้เป็นพาหนะจะผ่านไปไม่ได้ทั้งสิ้นครับถ้าเราเออกไปด้วยก็จะต้องทิ้งสกลางทางไม่ตอนใดก็ตอนหนึ่งหรือบางทีเราอาจต้องข้ามเหวโดยใช้วิธีไ่เชือกและลำเลียงของโดยชักรอบไปหุบเหวภูเขาสูงหน้าผาชันถ้ำลึกคือหนทางที่เราจะต้องผ่านเป็นส่วนใหญ่และป่าที่เราจะบุกเข้าไปนี่ ผมรับรองได้ครับว่าสัตว์พาณิที่เราเลี้ยงใช้งานอยู่ในหมู่บ้านจะไม่กล้าผ่านเข้าไปเลยเมื่อได้กลิ่นของสัตว์ป่าบางชนิดครับนี่คุณขู่เราใะจนฝันหนีดีฟ่อไปหมดเลยนะคริสพูดยิ้มยิ้มในตามีประกายไม่เชื่อถือและล้อเรียนผมไม่ได้ขู่ครับแต่ผมพูดความจริงให้พวกคุณได้รู้ตัวล่วงหน้าก่อนเท่านั้น เมื่อออกเดินทางกันอย่างแท้จริงคุณจะเห็นคาถาพวกคุณเองมันอาจจะเลวร้ายเกินกว่าที่ผมพูดให้ฟังนี่ก็ได้ผมเองในฐานะพรานนำทางผมก็ต้องการความสบายเหมือนพวกคุณเช่นกันแต่ผมรู้ว่ามันสบายไปไม่ได้หรอกพวกคุณจะเคยชินอยู่กับการเดินป่ามาแล้วสักเท่าไหร่ผมไม่ทราบแต่การออกเดินกับผมในครั้งนี้น่ คุณจะพบว่ามันผิดไปกว่าการผจญภัยในป่ามาแล้วทุกครั้งของพวกคุณไม่ว่าจะเป็นป่าแถบแอฟริกาหรือแถบอเมริกาใต้ที่ถือกันว่าเป็นป่าที่ดูร้ายที่สุดมีข้อแนะนาอะไรที่คุณพอจะให้แกเราได้อีกบ้างล่ะเบนถามมาหางเสียงอ้อยอิงจาไว้อย่างเดียวนะครับว่าอย่าคำนึงหรือห่วงถึงความสะดวกสบายให้มากนะัก เพราะมันไม่สะดวกสบายแน่ๆในหนทางที่เราจะบุกบันไปไอเครื่องสเสบียงอาหารถ้าเชื่อผมพยายามเอาไปให้น้อยที่สุดและควรจะใช้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าของพวกคุณเข้าช่วยในด้านอาหารสำเร็จรูปซึ่งย่อส่วนมาเป็นเม็ดเล็กๆชนิดที่ถ้าจาเป็นกลืนเข้าไปเม็ดเดียวก็อิ่มและประทังชีวิตไปได้เท่ากับอาหารหนักหนึ่งมือ้อ ซึ่งผมเชื่อว่าพวกคุณมีแน่ๆนั่นแหละคืออาหารที่พวกเราทุกคนรวมทั้งผมด้วยต้องการน้ำหนักของที่จะเป็นส่วนของสเสบียงแบบเรชั่นถ้าจะเปลี่ยนมาเป็นเครื่องมือสำหรับปีนเขาหรือไต่หน้าผาตลอดจนยารักษาโรคนี่ได้ก็จะดีครับแห่ผู้ซี่ยังก็ว่าจะเดินทางไปในอวกาศเพื่อสำรวจห้วงจักรวาลอย่างนั้นแหละ คิดกดที่จะเน็บแนมไม่ได้ในสีหน้ายิย้มๆความจริงมันอาจจะยิ่งกว่าการเดินทางในห่วงอวากาศก็ได้นะคุณเพราะถ้าคุณสำรวจห่วงอวากาศหรือเดินทางไปดาวดวงไหนก็ตามนั่นนะมันแปลว่าพาหนะและอุปกรณ์ของพวกคุณผ่านการทดสอบทันสมัยพร้อมูลและมีสมรรถนะสูงเยี่ยมพอแกการใช้วางใจได้แล้วทั้งสิน้นในการเดินทางครั้งนี้ แม้พวกคุณจะคิดว่ามันเดินไปบนผิวโลกส่วนหนึ่งในพิภพนี้ก็ตามแต่คุณจะได้เห็นในสิ่งที่คุณไม่คาดฝันว่าจะเห็นคุณจะได้พบกับสิ่งที่คุณไม่เชื่อว่าจะมีอยู่ในโลกนี้ผมรับรองด้วยเกียรติยศว่าผมจะป้องกันชีวิตพวกคุณทั้งสี่คนจนเต็มความสามารถแต่ไม่กล้ารับรองนะครับว่าพวกคุณจะรอดปลอดภัยอยู่กันครบทั้งสี่คนหรือเปล่าในเส้นทางสายนี้ เพราะฉะนั้นถ้าใครคนใดคนหนึ่งต้องเสียชีวิตลงโดยเกินความสามารถของผมที่จะปกป้องไว้ได้ผมขอละเว้นจากการรับผิดชอบเพราะทุกคนที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันนต่างยอมสละชีวิตยอมเสี่ยงแล้วทุกคนทั้งสี่คนมองหน้ากันเองไปมาแล้วหัวรอกขึ้นแต่ไม่สู้จะแจ่มใสนะักคลิปพูดขึ้นลอยๆว่า ชายคนนี้มีจิตวิทยาทางด้านข่มขวัญได้ไม่เลวนะเขาคงอยากใจพวกเราเลือกอล้มการเดินทางครั้งนี้แล้วมะแต่ระพินพูดความจริงนะครับเ้ามีความรู้สึกยังไงเขาก็พูดอย่างนั้นนายอัมพลย้ำหนักแน่คุณรพินคุณไม่ต้องกังวลในเรื่องชีวิตหรือความปลอดภัยของพวกเราหรอกขอเพียงได้ให้คุณเป็นมักคุเทศนำทางไปให้ดีที่สุด และซื่อสัตว์ที่สุดเท่านั้นตกลงได้แค่นี้ฝ่ายเราก็พอใจแล้วสแตนลี Stanley พูดครับดีมากทั้งนั้นผมก็สบายใจไปเปล่าหนึ่งทีนี้ว่าถึงผลประโยชน์ที่ทางผมจะได้รับแล้วครับเช็คเงินสดหนึ่งล้านเหรียญใจ่ายให้คุณในวันนี้เลยครับโดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีสัญญาใดๆทั้งสิน้น และอีกหนึ่งล้านเหรียญจะจ่ายให้ทันทีเมื่อเราทั้งหมดทำงานสำเร็จและกลับมาถึงตาบล น, นี้ขอให้คุณวางใจได้ครับเพราะรัฐบาลฝ่ายคุณจะเป็นหลักประกันให้ในเรื่องนี้ระพิงยิ้มเลี่ยนเลยนยักไหล่นิดหนึ่งนอกจากผมแล้วก็ยังมีพรานของผมที่เป็นลูกมือสำคัญอีกสี่คนและลูกหาบอีกสิบคนโดยประมาณ พวกคุณคงไม่หมายความว่าค่าจ้างของพวกนี้รวมอยู่ในเงินจำนวนหนึ่งล้านเหรียญแรกที่คุณจะมอบให้ผมไม่ใช่หรอครับหัวหน้าคณะนิ่งไปครู่หนึง่งมองไปทางท่านนายพลสุภาพบุรุษแห่งกองทัพบกไทยกระแอมเบาๆแล้วว่าทางฝ่ายคุณก็บอกอยู่แล้วนี่ว่าค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดด้านคุณจะเป็นผู้ออก และค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวนี้มันก็ควรจะหมายถึงค่าจ้างพวกพรานและลูกหาบที่จะติดตามไปด้วยมิฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นค่าจ้างเหมาไปซึ่งไม่ถูกเรื่องและพวกคุณก็บอกนี่ว่างบประมาณไม่อั้นไม่ใช่เหรอนายอำพลเสริมมาอีกคนหนึ่งอย่างรักษาผลประโยชน์ฝ่ายระพินเต็มที่เอาละเอาละ ในที่สุดสแตนลีพยักหน้าบอกมาพวกพรางของคุณแล้วก็พวกลูกหากคุณคิดว่าเราควรจะจ่ายเขาคนละสักเท่าไหร่ละ่ะพางลูกมือของผมนี่สี่คนคนละห้าหมื่นเหรียญส่วนพวกลูกหากคนละสองหมื่นเหรียญจ่ายก่อนการเดินทางและเมื่องานสำเร็จกลับมาถึงที่แล้วจ่ายให้อีกเท่ากับจำนวนที่จ่ายไปแล้ว โดยไม่ละเว้นว่าใครจะเสียชีวิตไปหรือไม่ถ้าใครเสียชีวิตก็ให้จ่ายจะบทายาทของเขาอย่างนี้ตกลงไหมครับมากไปสำหรับพรานและลูกหาพวกนั้นอนะสตรีกับคีปพูดมาเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันระพินสั่นสีสัจยิ้มแย้มไม่มากหรอกครับเมื่อเทียบกับงานใหญ่ของคุณนะ่ะมันไม่มากรก โดยเฉพาะถ้าเทียบกับการเอาชีวิตไปเสี่ยงตายของแต่ละคนด้วยมาเปรียบเทียบดูให้ดีนะครับระเบิดนิวเคลียร์ของคุณนะลูกนั้นนะมันราคาเท่าไหร่ส่วนพรานสี่คนแล้วก็ลูกหายอีกสิบคนนะ่ะผมก็จะต้องคัดหาคนที่มีความสามารถขีดสุดที่พร้อมจะยอมเสียสละชีวิตได้แล้วเหมือนกันคนเหล่านี้จะร่วม ง, งานกับคุณจนถึงที่สุดคือจนตาย หรือจนกว่างานของคุณจะบรรลุผลจะไม่มีใครพละหนีที่งานกลางคันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อจะเสี่ยงตายทั้งทีเขาก็ควรจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าของชีวิตถึงเขาไม่ได้รับทายาทของเขาก็ควรจะได้รับไม่ใช่หรือครับแต่ถึงนั้นมันก็ยังแพงไปนะคุณคริสแยงแต่นุ่มนวลเช่นเดิ เชิดบุญทนไม่ไหวก็ทะลุขึ้นมาว่าทั้งนั้นผมตัดสินเองเราจ้ า, างเฉพาะราพินไรวันคนเดียวส่วนพวกลูกหาอื่นๆเอาเป็นว่าฝ่ายคุณเป็นผู้จัดห า, าเองอยไปเกย์นะพวกทหารของคุณมาเป็นลูกหาก็ได้ดีไหมและคราวนี้จะยกกันไปเป็นกองร้อยทางฝ่ายราพินก็คงไม่ว่าอะไรหรอกมะั้งคำพูดของเชิดบุญทําให้อเมริกันสี่คนนิ่งไป คิดขยี้จมูกแดงเปล่าเบาเบาว่ะเรื่องนี้นะมันเป็นความลับสุดยอดแม้กระทั่งคนอเมริกันที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีเราก็ให้รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกแติดตามที่คุณเสนอนายทหารหนุ่มแห่งกองทัพ บ, บกไทยแบมือยักไหลอ่ะถ้ามันมีอะไรที่คุณจะต้องต่อรองกับคุณคนที่จะไปตายให้กับงานใหญ่ของคุณอะ ราคาชีวิตแค่คนละไม่กี่หมื่นเหรียญมันแพงไม่งั้นเหรอผมเห็นด้วยกระพิ น, นในข้อเสนอของเขาเงินเหล่านี้ก็ไม่ใช่เงินส่วนตัวของพวกคุณคนใดคนหนึง่งแต่เป็นเงินงบประมาณของรัฐบาลคุณที่ตั้งไว้แล้วอย่างไม่จำกัดมันอยู่ที่ด็อร์สแตนลีย์ผู้เป็นหัวหน้าคณะเท่านั้นที่จะอนุมัติเห็นควรด้วยหรือไม่หัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์มองไปทางพลานใหญ่ ทั้งสิบสีคนที่คุณชาไปด้วยนะี่ะเป็นคนของคุณโดยเฉพาะเลยใช่ครับเป็นคนในเขตปกครองของผมนะนะั่นแหละเพราะถ้าเป็นที่อื่นเขาก็คงไม่เอาเหมือนกันคนที่ผมจะคัดเลือกตัวเหล่านี้เนะี่ยล้วนแต่ไว้าวางใจได้ทั้งนั้นถ้าคุณเชื่อผมคุณก็ต้องเชื่อเขาด้วยแล้วก็วางใจได้นะครับว่า คนเหล่านี้จะไม่เอาความลับของฝ่ายคุณไปเปิดเผยให้ใครได้เพราะเขาเป็นคนพื้นเมืองในบ้านป่ามีชีวิตหลักดานไม่ติดต่อคบหากับใครหรอกนอกจากจะอยู่เฉพาะในหมู่บ้านป่าเท่านั้นแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่มีฝีมือในการเดินป่าทรหดต่อการทำงานหนักทั้งนั้นซึ่งจะประสานงานกับผมได้เป็นอย่างดีถ้างั้นตกลงผมจะจ่ายเงินทั้งหมดผ่านคุณ และขอให้คุณรับผิดชอบจ่ายแจกให้กับเขาเหล่านั้นเองครับผมรับที่จะจัดสรรให้แกพวกเขาเหล่านั้นโดยไม่บิดพลิ้วหรือมีเล่เหลี่ยมคดโกงอะไรคนเหล่านั้นดอร์สเตลลีลุกขึ้นจับมือกับท่านนายพลนั้นก็เป็นนั้นว่าเราตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านนายพลปเดี๋ยวพวกเราจะกลับกรุงเทพและจะเตรียมตัวเดินทางโดยเร็วที่สุด อย่างช้าไม่เกินสองวันเราจะกลับมาที่นี่บอกว่าทางฝ่ายคุณระพินคงจะเตรียมตัวได้เรียบร้อยนะครับผมและคุณอัมพลก็รู้สึกยินดีด้วยที่มีการตกลงกันได้เรียบร้อยเช่นนี้ผมจะร่วมเดินทางมาที่นี่พร้อมกับพวกอีกครั้งเพื่อส่งการเดินทาง ต่อจากนั้นอีกเพียงไม่กี่อึดใจเช็คเงินสดอันเป็นเช็คธรรมดาของธนาคารแห่งอเมริการะบุจำนวนเงินถูกต้องตามข้อตกลงก็เข้ามาสงบนิ่งอยู่ในกระเป๋าเสื้อของระพินไทรวันเขาไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรกับเงินค่าจ้างจำนวนนี้เลยแต่มันเป็นผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ก็ต้องเอาไว้ก่อนตามหน้าที่และที่สาคัญที่สุดก็คือเพื่อนร่วมทายของเขาอีก14คน อันหมายถึงพรานพื้นเมืองคู่ใจ4ี่คนและประเภทลูกหาบซึ่งก็จะต้องคัดเอาจากลูกน้องนักดักสัตว์ของเขาในหมู่บ้านหนองน้ำแห้งนั่นเองอีกสิบคนคนเหล่านั้นต่างหากล่ะที่ควรจะได้รับผลตอบแทนให้คุ้มค่าเหนื่อยค่าเสี่ยงชีวิตในอนาคตของการเดินทางอันเต็มไปด้วยอันตรายที่ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันจะอุบัติขึ้นในรูปใดบ้าง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 กับอเมริกันทั้งสี่คนแล้วพละออกจากห้องนั้นไปไมีใครคนหนึ่งเดินตามหลังระพินมาติดๆแล้วก่อนที่เขาจะลงบันไดของตึกอนวยการไปข้างล่างก็มีเสียงเรียกเบาๆระพินหยุดชะงักหันกลับมาพบพันรีเชิดบุตรสาวเท้าเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าจับแขนเขาไว้ สายตาที่จ้องประสานมาเหมือนคนที่เคยรู้จักคุ้นเคยกันมาสักสิบปี ท, ทั้งทั้งที่พบกันเป็นเวลาไม่เกินสองชั่วโมงที่แล้วคุณอภินครับขอทำความเข้าใจกับคุณอีกครั้งนะครับถึงแม้ว่าผมจะไปกับพวกนี้ผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นฝ่ายเดียวกับคุณด้วยกรุณาอย่าคิดเป็นอื่นนะครับไม่เป็นไรครับ ผมเข้าใจดีครับคุณเชิดวุฒิแล้วก็โปรดทราบไว้ด้วยนะครับว่าการเดินทางครั้งนี้เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกเขาหรือพวกเราก็ล้วนอยู่ในภาวะเรือลำเดียวกันทั้งนั้นแหละครับคือตายก็ตายด้วยกันรอดก็รอดด้วยกันครับคุณอภินมีอะไรจะแนะนำผมบ้างไหมล่ะซักประโยคสองประโยคก็ยังดีครับนึกว่าผมเป็นน้องชายคุณคนหนึ่งก็แล้วกัน จอมพรานตกเบาๆที่หลังมือข้างที่จับแขนเขาไว้คุณเชิดวุฒครับสิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือคุณอย่าคิดเดินทางไปในครั้งนี้เลยครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาสี่คนกับพวกผมที่เป็นลูกจ้างดีกว่าคุณไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงด้วยเลยในด้านการเป็นตัวกลางประสานงานก็ไม่จบเป็นแล้วเพราะผมติดต่อกับพวกเขาได้ดีทุกคนครับ เชิดวุฒิสั่นศีศรษะช้าๆตาเป็นประกายแห่งความเด็กเดี่ยวมั่นคงผมต้องไปตามหน้าที่ครับคุณรพินถ้าผมตายผมก็ตายในหน้าที่ราชการลับนี่และผมก็ ช, ชายชาทหารคนหนึ่งผมเครื่องใจในปรารถนาดีของคุณนะครับแต่โปรดอห้ามผมเลยครับคุณเชิดวุฒิเคยเดินตามาก่อนไหม เคยครับแต่เที่ยวป่าในฤดูร้อนมั่งสี่ห้าครั้งแต่ผมคิดว่าผมทนกับความลำยากลําบากทุกชนิดได้นะแล้วก็เชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดเตือนพวกนั้นไว้ไม่ได้เห็นเป็นเรื่องเหลวไหลหรือคําคู่หรอกผมยินดีนะครับที่คุณไม่เห็นคําพูดของผมเป็นเรื่องเหลวไหลเป็นนั้นว่าตัดสินใจไปแน่เแน่พี่ครับร้อยเอร์เซนต เฉพาะตัวคุณเองนะคุณคิดว่าจะเอาเอาวุธอะไรติดตัวไปละ่ะก็คงจะเป็นปืนทหารนะครับ M16 แบบพลร่มนะมันเบาสะดวกดีครับคุณเช่อวุธมีปืนล่าสัตว์อะไรบ้างล่ะที่จัดว่าใหญ่แล้วก็แรงที่สุดนะก็แค่ซากโก้จุดสามเจ็ดห้าแม็ท้นั้นแ่ะครับผมเป็นแค่นักล่าสัตว์สมัครเล่นครับ ถ้างั้นก็เอาปืนกระบอกนั้นแหละครับไปกระสุนอย่างน้อยสองรนัดครับแต่ผมไม่มีเจตนาจะล่าสัตว์นะครับใช่ครับแต่อย่าคิดนะว่าสัตว์มันจะไม่ล่าคุณคุณเชิดวุฒิแล้วเอ็มสิบหกนี่ไม่ไหวเหรอคุณระพินไหวครับไหวไหวสำหรับยิงคนครับ แต่คุณเคยเห็นรอยเท้าช้างขนาดที่คนโตโตเท่าคุณน่ะลงไปนั่งขัดสมาดได้บ้างไหมตายหาเลยจริงเหรอคุณแล้วคุณเคยเห็นเสือโคร่งตัวขนาดลูกมาเทพน้ําหนักเกือบครึ่งตันบั้งไหมไอเสือเบงกอนที่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วน่ะมันแค่ลูกเสือเท่านั้นนะคุณสําหรับปลาที่เราจะบุกเข้าไปนี่พันธรีเชิร์ดวุสตาเหลือกอ้าปากค้าง ระพินหัวร่อนตบไหลนายทหารหนุ่มอย่างรักใคร่เอ็นดูสี่คนน่ะเขาจะเอาเอ็มสิบหกไปรบ ก, กับใครก็ช่างเขาเธอคุณเชิด ว, วุดผมไม่ห้ามเขาหรอกแต่สำหรับคุณน่ะผมขอกระซิบเตือนไว้สำหรับผมเองน่ะใช้จุดสี่ห้าแปดแมกนัมแอฟริกันยังวิ่งป่ารากมาแล้วชนทราหมของผมมายัางต่ำก็ จุดสามเจ็ห้าแม็กกันทุกคนคุณกับผมจะต้องมีหน้าที่คุ้มกันฝรั่งสี่คนนะด้วยไอที่เขาคุยว่าจะป้องกันตัวเองได้นะ่ะนะเอาไว้ดูกันตอนเข้าป่าลึกจริงๆค่ะคุณเป็นได้สนุกกันละถ้าคุณคิดจะสภพยเอ็มสิบหกหรือไรเฟิลใช้ในสงครามชนิดใดแล้วก็จะเอาปืนติดมือไปให้หนักเลยกระสุนที่มีแรงประทะต่งกว่าสี่พันห้าร้อยฟุตปอน สำหรับป่าที่ผมจะพาพวกคุณเข้าไปนี่มีไว้สำหรับยิงเรียดตอนหลงปลาเท่านั้นแหละผมไปแล้วครับพบกันใหม่ที่หนองนำ้ำแห้โชคดีครับกล่าวจบแานใหญ่ก็ลงบันไดไปโดยเร็วปล่อยให้พันรีเชิดวุธ ย, ยืนตะลึงกับพริบตาปริกปริกอยู่คนเดียวระพินเดินกลับลงมาข้างล่างด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะบอกถูก ในส่วนลึกของจิตใจมีแต่ความหม่นหมองเศร้าซึมเขาลึกไม่ออกเหมือนกันว่าในคืนแรกนี่เขาจะจัดการอะไรลงไปก่อนชายหนุ่มผู้ทั้งชีวิตเกิดมาเพื่อที่จะต้องทำงานหนักลำบากกรับกลำอยู่แต่ในป่าสุดกายลงนั่งอย่างอ่อนแรงตรงมาหินชุดเดิมพวพพานพื้นเมืองของเขายังกินเหล้าเฮฮากักกรรมกรเลี้ยงสัตว์ป่าของนายอําพล อยู่ที่ลานหินมุมหนึ่งที่เดิมห่างออกไปประมาณ20เมตรคนเหล่านั้นหันมาเห็นเจ้านายกลับลงมานั่งสุบุรีเงียบๆอยู่คนเดียวแต่ก็ยังไม่สนใจอะไรนะักเพียงแต่นานๆก็จะเหลือบมาดูสักครั้งพระพินงงเอาจริงๆตัดสินใจไม่ถูกว่าจะจัดการอะไรก่อนและหลังภายในระยะเวลาจำกัดเพียงไม่เกินสองสามวันข้างหน้านี้ คงจะเนื่องมาจากไม่ได้ยินเสียงรถจิบของระพินติดเครื่องขึ้นเลยผู้มนุยการบริษัทไทยไวยไลจึงเดินตามลงมาผอเห็นจอมพรานนั่งซึมกระืออยู่คนเดียวก็ตรงเข้ามาทันทีขณะนั้นเป็นเวลาส7เจดนาฬิกาเศษเข้าไปแล้วระพินผู้มนวยการทักขึ้นแผวเบาสีหน้าไม่สบายใจนักเข้ามาจับไหล่เขาไว ผมเห็นใจคุณจริงๆคุณอำพลครับขอปรึกษาอะไรหน่อยได้ไหมสมองผมนักตือไปหมดแล้วตอนนี้อะว่ามาเลยมีอะไรที่ผมจะช่วยเหลือคุณได้บ้างคุณอำพมว่าผมควรจะเริ่มทำอะไรก่อนหลังดีลรอครับเนี่ยก่อนการออกเดินทางแท้จริงอะ่ะเขาพูดพร้อมกัะถอนใจเฮือกควักเช็คในกระเป๋าขึ้นมาชูให้ดูอย่างหมดอะไรตายยาก แมพ่พนดูเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของเขาดีที่สุดนั่งลงใกล้ๆนี่เพื่อนยาฟังผมนะคืนนี้คุณกลับไปที่พักของคุณนอนหลับให้สบายอย่าคิดอะไรมากแล้วพรุ่งนี้แต่เช้าเลยคุณเอาเช็คจำนวนนี้ไปเข้าธนาคารในอำเภอผมจะไปเป็นเพื่อนคุณด้วยต่อจากนั้นผมจะเรียกทนายของผมมาเพื่อทาพินัยกรรม ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการทั้งของคุณเองและทั้งของลูกน้องคุณทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างทําให้เสร็จสิ้นหมดห่วงไปซะพรุ่งนี้เลยและเพื่อคุณไว้วางใจได้พินัยกรรมทั้งหมดนี้จะทําขึ้นเป็นสามคัพปี้คีหนึ่งผมจะเก็บรักษาไว้คั py ีหนึ่งฝากไว้ที่ธนาคารโดยมอบคุณแจไว้ให้คุณแม่คุณไม่ต้องเรียนให้ท่านทราบก่อนว่าเป็นอะไร สูนิก็ปี้หนึง่งเพื่อให้คุณไว้วางใจได้มากที่สุดว่าผมจะไม่หักหลังคุณคุณเขียนกำหนดไว้เลยว่าให้ส่งมอบให้แก่คุณชายเชษฐาหรือคุณหญิงดารินเพื่อให้ทั้งสองเป็นพยานรู้เห็นในจุดมุ่งหมายของคุณด้วยเมื่อพินัยกรรมทั้งสามฉบับถูกเปิดเผย อ, ออกมาและยันกันได้ทั้งสามฉบับคุณก็ไม่ต้องห่วงแนละ้วทั้งหมดมันจะเป็นไปตามความต้องการของคุณ โดยไม่มีใครงุบงิบโกงได้คุณอาจไม่ไว้วางใจผมแต่คุณก็คงไม่ปฏิเสธว่าคุณไว้วางใจคุณชายเชษฐาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหญิงดารินเพราะเธอจะต้องรักษาผลประโยชน์ทางฝ่ายคุณและคนของคุณแน่ๆจนจอมพลานถอนใจอีกครั้งเอางั้นเหร อ, อะแล้วคุณก็ดีไหมล่ะ ผมไม่คิดอะไรตอนนี้ไม่ออกหรอกคุณน้าพลก็สุดแล้วแต่คุณน่ะทางด้านคุณแม่ผมะจะทำไงดีผมจะเรียนท่านว่ายังไงดีคุณคิดหน่อยเรื่องนี้ผมก็ไม่ควรทําอะไรให้ท่านบังเกิดความวิตตกหรือห่วงกังวลอะไรมากนะท่านทราบดีอยู่แล้วนี่ว่าชีวิตคุณส่วนใหญ่ก็เดินป่าอยู่ตลอดเวลา เอาเป็นว่าคุณก็ไปกราบลาท่านใช่พรุ่งนี้เรียนให้ท่านทราบแต่เพียงว่าคุณออกป่าคราวนี้อาจจะไปนานหน่อยก็เท่านั้นเองท่านไม่สงสัยหรือถามอะไรมากหรอกเพราะมันเป็นธรรมดาของคุณอยู่แล้วสําหรับผมนะบอกตามตรงว่าเสียใจจริงๆที่คุณจะต้องไปเสี่ยงอีกในครั้งนี้แต่ก็ขอได้โปรดเข้าใจนะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะผมแต่มันเป็นความจําเป็นที่โทษใครไม่ได้เลย ผมเองก็ทุกข์หนักเหมือนกันไหนจะห่วงคุณไหนจะต้องรับสึกใหญ่คุณรู้ไหมว่าที่ผมว่าเนี่ยมันอะไรรัพินสันหัวนายอัมพลก็พูดต่อเสียงต่ำๆว่าก็พี่น้องราชสกุลวาราริบไงคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคุณหญิงดารินวันเวลาใดก็ตามที่เธอทราบว่าคุณต้องออกเดินทางเข้าป่าใหญ่โดยไม่รู้อนาคต โดยมีผมก็ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเนี้รับรองแล้วคุณสถานีกักสัตว์ของบริษัทไทยไวไลน์นี่พังพังแน่ๆไม่อรารวาดแหลกของจีหัวผมด่าจนเข้าหน้าไม่ติดทีเดียวละคุณก็รู้จักริศเดชคุณหญิงดีอยู่แล้วนี่รพินยิ้มเศร้าๆผมคิดว่าคุณหญิงคุณชายกลางและคุณชายใหญ่เนะี่ยเป็นคนมีเหตุผลนะครับ ทั้งสามคนก็คงจะไม่โทษอะไรคุณอณัมพลหรอกถ้าหากคุณอธิบายให้เข้าใจซะโดยตลอดก็ใช่สิถ้าอธิบายเหตุผลให้เข้าใจใช่ตลอดอีทีนี้ตอนที่ยังไม่มีโอกาสจะทันได้อธิบายอะไรนี่สิคุ ณ, ณนายอัมพลน่ะพังซะก่อนแต่ว่าแต่คุณหญิงเลยต่อให้คุณชายกลางคุณชายใหญ่คุณชายยันหรือมาเรียก็ล้อนแต่รักคุณทั้งนั้นอ่ะ ทั้งห้าคนนะ่ะคงรุมเล่นงานนายอำพลนะ่ะคี้แตกไปเลยคุณนะ่ะกลุ่มคนเดียวเมื่อไรผมก็กลุ่มอยากจะหนีหน้าเข้าป่าไปพร้อมกับคุณซะโดยซ้ำดิจะได้ไม่ต้องอยู่รอคอยเวลาที่ผมลำบากใจที่สุดวันนั้นน่ะทานใหญ่ตดแขนนายห้างของเขาเบาๆคุณอำพลนะ่ะอยู่ทางนี้ดีแล้วละ่ะอย่าคิดไปตายกับผมเลยอย่างน้อยก็พอจะอยู่บอกข่าวให้คนข้างหลังทราบได้บ้าง แล้วก็อยู่เพื่อช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความประสงค์ของผมถ้าหากว่าผมจะไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกไม่งั้นเราทุกคนก็หายหน้ารักไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นความดีลับที่คนข้างหลังไม่อาจจะทราบได้แล้วเขาก็หัวเราะเบาๆมองหน้านายห้างเก่าแก่ที่รู้ใจกันมานานปีอย่างรักใคร่สนิทนี่ ครั้งแรกผมยอมรับนะว่าผมโกรธคุณมากเชียวแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นละมันเป็นคราวเคราะห์ของผมจริงๆแล้วก็มองเห็นแล้วว่าผมจำเป็นต้องไปทำงานครั้งนี้ชนิดเลี่ยงไม่ได้ซะด้วยอย่าว่าแต่พวกนั้นจะให้เงินตอบแทนผมเป็นค่าเสี่ยงชีวิตเลยต่อให้เขาไม่ให้เลยสักบาทเนะี่ยผมก็ต้องไปอยู่ดีแหละเหตุการณ์มันบีบบังคับนี่ แล้วเขาก็เหลือบมองเช็คในมือจริงเงินจำนวนนี้มันก็ไม่มีค่าอะไรหรอกสำหรับผมแต่มันมีค่าสำหรับลูกน้องของผมทุกคนและก็มีค่าสำหรับคุณแม่อย่างน้อยก็เป็นเครื่องยังชีพ ข, ของท่านในกรณีที่ลูกชายคนเดียวดันหายสาบสูญไปในป่าคำพูดรำพึงจัดใจจริงของเขาทำให้นายอัมพลตื้นตันน้ำตาคลอจากมือบีบแน่ คุณพินผมน่ะไม่ห่วงคุณหรอกเกี่ยวกับเรื่องอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากภายในป่านะมือขนาดคุณแล้วนะผมเชื่อร้อยเปอร์เซนว่าสบายมากแต่ผมเป็นห่วงเรื่องอุปัรวัยเหตุจากกำมันตะพาพลังสีซึ่งมันอยู่นอกเหนือความสามารถในเชิงพานของคุณแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเสียงนายอภพล์แห่ไปเป็นกระซิกยื่นหน้าเข้ามาใกล้ ไอ้พวกนั้น่ะลงได้ทํางานลับสําคัญสุดยอดแบบนี้ก็พร้อมแล้วล่ะที่จะหักหลังใครก็ได้ภายหลังจากงานของมันสําเร็จลงมันอาจจะฆ่าคุณภายหลังจากกู้ระเบิดเสร็จก็ได้อ้ตรงนี้ขอให้คุณระวังตัวให้ด้วยหยับได้ประมาทเปน็นอันขาดระยะทางที่คุณยังค้นหาไม่พบระเบิด น, นมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่อีตอนที่พบระเบิดแล้วนั่นแหละระวังตัวให้จงหนัก อย่าไว้ใจใครนะคุณคราวนี้ระพิงยิ้มออกมาได้จากใจจริงไม่ต้องห่วงผมในเรื่องนั้นหรอกคุณถ้าหากยังอยู่ในป่าไอ้พวกนั้นไม่มีปัญญาทํำอะไรผมได้เป็นอันขาดมีแต่ว่าผมจะหลอกให้ไปตายเสกลางป่ามากกว่าแต่ถ้ากู่ระเบิดเสร็จแล้วแล้วผมกลับมาถึงหนองน้ําแห้งแล้วพวกนั้นจะส่งคนมาเก็บผมภายหลังนะ่ะก็เป็นอีกเรื่องหนะึง มันก็สุดตะเวนกันนะ้ม่ะนี่คุณคุณเชิดพุธจะเป็นฝ่ายคุณนะแล้วก็ไว้วางใจได้มากที่สุดด้วยผมยังอุ่นใจนิดนึงที่มีลูกชายทนายพลไปเป็นเพื่อนคุณด้วยนะครับข้อนั้นผมเข้าใจครับแต่ผมกลับคิดว่าถ้าคุณเชิดพุธไม่ไปเสียได้ก็จะเป็นการดีสําหรับผมยิ่งขึ้นจะได้ไม่ต้องคอยห่วงอยู่อีกคนนึงคุณนําพลทราบดีอยู่แล้วนี่ ว่าทัากกลางป่าลึกแล้วก็พวกนี้ทุกคนจะกลายเป็นทารกที่จะต้องคอยดูแลทั้งหมดนั่นสำหรับพวกผมผมห้าคนและลูกหาอีกสิบคนรอยลำสบายมากต่อให้กระจัดกระจายแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางทุกคนก็เอาตัวรอดได้โดยอิสระทั้งสิ้นยกเว้นแต่ถูกกรรมันตภาพรังสีน่ะก็เป็นอีกเรื่องประวินเลยหน้าขึ้นไปบนเพดานสูงนี่พวกนั้นยังไม่ไปกันอีกเลยครับ ก็คงจะออกจากที่นี่ตอนค่ำคุณผมเชิญเลี้ยงอาหารเย็นไว้ด้วยตอนนี้ทุกคนก็รับเชิญแล้วนี่ก็ยังปรึกษาหารือกันอยู่จอมพลัดูนาฬิกาข้อมืออีกครั้งแล้วลุกขึ้นยืนนี่ก็เย็นมากแล้วงั้นผมกลับก่อนนะครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับ